Thank mm -hmm. you. วันนี้ก็ไปปลูกป่ากันเช่นเคยสาวอาทิตย์นี้ก็จะปลูกป่ากันเรื่อยไปนะจนถึงอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีมาเสิร์ฟอีกเรื่อยๆวันนี้ก็เรียกว่าทั้งคนปลูกก็ได้ต้นไม้ก็ได้คนปลูกก็ได้น้ำมนตต้นไม้ก็ได้น้ำฝนนะฝนก็เทลงมาคนปลูกก็ชื่นใจนะเพราะว่า มั่นใจได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกก็อย่างน้อยก็คงจะไม่โดนแดดเผาจนตายเหมือนกับอีกหลายต้นที่ปลูกก่อนหน้านั้นที่ว่าคนปลูกก็ได้น้ำม น, นี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงได้เหงือ่เงือนเนี่ยคือน้ำมนที่ดีที่สุดจ้าพุทธทาบบอกว่าน้ำมนที่ดีที่สุดก็คือเงือนี่แหละมันไม่ใช่น้ำที่ใครจะมาให้ได้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 ความเพียรอย่างหมายถึงการให้ความสำคัญกับการพึ่งตนเองเพราะว่าถ้าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปพึ่ง อ, อิทธิปฏิหารหรือสมัยนี้ก็คือไปพึ่งเทคโนโลยี<อ>ไปพึ่งเม็ดเงินคนสมัยนี้ถึงเอาเทคโนโลยีเป็นพระเจ้าก็เลยไม่คิดจะพึ่งความเพียรของเจ้าของะจะสอบนี่ก็คิดแล้วว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันจะทาให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 สายปัญญาเข้ามาประกอบด้วยโดยเฉพาะเวลาทำเรื่องที่ยากๆเวลาทำเรื่องที่ยากๆเนี่ยคนก็มักจะมองไปแล้วว่าทำแล้วจะสำเร็จไหมพอทำเรื่องยากๆแล้วก็มองไปแล้วเห็นว่าสำเร็จได้ยากก็เลยไม่อยากจะทำงอมืองอเท้าแต่ถ้าเกิดว่าสามารถจะวางจิตวางใจให้เป็นนะโดยเพราะการให้ความสำคัญ กับเรื่องของความถูกต้องมากกว่าความสำเร็จนะ น, นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราจะเอาเรื่องความสำเร็จเป็นใหญ่ถูกต้องไม่ถูกต้องเอาไว้ทีหลังขอให้ฉันเป็นฝ่ายชนะถ้าทําแล้วฉันแพ้ฉันไม่ทําถึงแม้มันจะถูกมันจะต้องสมัยที่โฆษณาโต๊สิทธกูลเขาเคลื่อนไหวทีะเรียกร้องให้นาเอา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 ขึ้นอยูความคิดของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ i, ยะทําทเลยเอาก็ไม่ทําคือโอนเอียงไปตามเสียงส่วนใหญ่นี่เรียกโลกาธิปไตยแต่ว่าทําเพื่อป้องการประโยชน์ส่วนตัวต้องการอยากเด่นอยากดังต้องการผลประโยชน์นี่เรียกอัตตาธิปไตยการทําเพื่อหวังชัยชนะมันก็เข้าอยู่ในฝ่ายอัตตาธิปไตยได้แต่ถ้าเป็นธรรมธิปไตยแล้วความถูกต้องมาก่อนความสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นมาทีหลัง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 อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่าไปเผลอละทิ้งหน้าที่ของตัวแล้วไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคือไปยุ่งหรือไปก้าวไก่เรื่องของธรรมชาติเรื่องของฟ้าดินเรื่องของกระแสเหตุปัจจัยเราชอบไปก้าวไก่เรื่องของคนอื่นแต่หน้าที่ของตัวยังไม่ทํามันก็เลยทุกจะปฏิบัติทำก็คอยชะเง้อดูว่าเมื่อไหร่จะเกิดผลเมื่อไหร่จะบรรลุผลบรรลุธรรมแล้วก็เลยไม่ได้ทําความเพียรของตัวเอง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 ทางสายกลางกับความพอดีบางทีมันก็ใกล้กันมากแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ความเพียรแต่พอดีเนี่ยคือวิริยสมุตตานะก็ต้องทําถ้าทําด้วยความอยากความอยากมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติซึ่งอันนี้ก็ได้ย้าไว้หลายครั้งนะว่ายิ่งอยากได้ยิ่งยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากจะให้ถึงไวก็กลับถึงช้านะหลวงพ่อเตือนทั้งนั้นเน้นอยู่เสมอว่าให้ทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆอันนี้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 ว่าน้องมีสติเข้ามานะเพื่อที่ทําให้ไม่ให้ติดอยู่กับสมาธิจงกระทั่งความเพียรมันอ่อนต้องให้ได้มีความพอดีพอดีเลยระหว่างความเพียรกับสมาธิศรัทธากับปัญญาก็เช่นเดียวกันนะศรัทธามากปัญญาก็ไม่เกิดเช่นเชื่อใครสักคนนึงเนี่ยก็เชื่อแต่พึต่พือไปไม่ใช้ความคิดพิจรารณญาณว่าสิ่งที่เขาพูดมาถูกไหมซึ่งบางทีก็ทําให้ถูกหลอกได้ง่ายนะถูกหลอก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 ไม่ใช่ว่าฉันต้องการร้อยหามาได้ร้อยฉันหยุดแล้วฉันก็นั่งเล่นนั่งเล่นไปครึ่งวันอันนี้มันจะตกเข้าไปอยู่ในในความขี้เกียจได้ถึงแม้ว่าเราใช้น้อยแต่เราก็หามากและเพื่อที่เราจะเอาส่วนเกินนั้นเนี่ยไปทำประโยวให้แก่ส่วนรวมให้แก่คนที่เขาเดือดร้อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ชาบพุทควรจะทำซึ่งจะทาได้ต้องมีวิริยะต้องมีความเพียรหรือว่า